ในหัวข้อเรื่องว่ามัคสีมัคสีก็ได้แก่หนึ่งโสดาปฏิมัคสองสักทาคามีมัคสามอนาคามีมัคสี่อรหัตต์มัคคาว่ามัคหมายเอาฌานหมายเอายานคือความรู้เป็นเหตุละสังโยชน์ได้เด็ดขาด มักในที่นี้มีสี่ด้วยอำนาจกาจัดสังโยชน์ได้แต่เพียงเอกเทศบ้างสิ้นเชิงบ้างคือหนึ่งโสดาปฏิมักมักนี้เป็นเหตุละสังโยชน์ได้สามคือตักกายะพิธิวิจิกิจฉาสีลพตปรามา m อันนี้ก็หมายความว่า ถ้าอญญายะบุคคลผู้ได้บรรลุโสดาปติมัคนั้นหมายถึงว่าผู้นั้นจะต้องละสังโยชน์สามอย่างข้างต้นสามอย่างข้างต้นที่บอกว่าหนึ่งสักกายะทิฏฐิก็หมายถึงว่าไอความเห็นยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนนั้นหมดไปนะหมดไปเพราะจริงเหล่านี้ถือว่าเป็นกิเลสตัณหาอันยิ่งใหญ่คนเราที่ ติดพบติดชาติก็เพราะในข้อแรกนี่เราก็ไปกันไม่ได้เลยท่านลองสังเกตดูสิรู้สึกว่าอะไรอะไรเราก็ทำเพื่อตัวเราทำเพื่อพวกพ้องของเราเป็นตัวกูของกูเหมือนกับพวกนกเขามันขันอยู่ด้วยของกูของกูจนกระทั่งไอ้ผลมะมารากลากไม้เขากินไปจนหมดแล้วก็ยังบมกของกูของกูตัวเองไม่ได้กินอะไรเลย เหมือนกับเป็นมดแดงเฝ้ามะม่วงคนเราก็เหมือนกันหลงยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวมีตนทั้งๆที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพมุทธเจ้าบอกว่าเราไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาและไม่ใช่ของเขาอีกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นกนลางกลางเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จีรังยั่งยืนฉะนั้น การที่เรามายึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวมีตนนี้ถือว่าเป็นกิเลสอันยิ่งใหญ่หรือเป็นกำแพงอันยิ่งใหญ่ที่ขวางหน้าไม่ให้เราได้บรรลุคุณธรรมชั้นสู ง, สงยิ่งขึ้นฉะนั้นผู้ที่ได้โสดาบันนี้หรือว่าโสดาปฏิมัคนี้จะต้องละได้ทั้งสามอย่างพูดง่ายๆก็คือว่ามีความเข้าใจมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง อันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นถึงแม้ว่าใครจะมาว่ามาดา่าก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในข้อนี้จึงถ้าหากว่าเราทุกคนเข้าใจเรื่องออตัวเราเตัวเขาแล้วแน่นอนที่สุดเราจะอยู่ในสังคมได้อย่างสะดวกสบาย แต่ที่เราอยู่กันไม่สบายก็เพราะว่าเรายังยึดอยู่ยังติดอยู่นะติดอะไรก็นี่แหละมาติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนี่แหละมัน ต, น, ะนติดในวัตถุในติดในวัตถุมันก็เท่ากับว่ามันพวกสัจกายทิฏฐิยังหลงอยู่ยังหลงอยู่นี่พูดแต่เพียงย่อๆมาในข้อที่ว่าก็ข้อสองก็คือวิจิกิจฉาก็คือความลังเลสงสัย ความล uh, <lad> ังเลสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมเนีอย่างนี้ใช่พระพุทธหรือเปล่าอย่างนี้ถูกพระธรรมหรือเป็นพระธรรมหรือเปล่าอย่างนี้เป็นพระสงฆ์หรือเปล่าจะทําบุญอย่างนี้ได้บุญหรือเปล่าเนาะจะทําบุญอย่างนี้เป็นบาปหรือเปล่าเนาะสงสัยไปเรื่อยว่าการปฏิบัติอย่างนี้มันจะถูกหรือเปล่าปฏิบัติอย่างนี้ผิดหรือเปล่า เราปฏิบัติอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานหรือเปล่าเราปฏิบัติอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อสะสมกิเลสหรือเปล่าคือเรามันมีความลังเลมีความสงสัยกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเราเดินทางไปอยู่ทางระหว่างสามแง่งทำให้เราตัดสินใจไม่ได้นะเราตัดสินใจไม่ได้เมื่อเราตัดสินใจไม่ได้แน่นอนที่สุดทิ่งนี้แหละถือว่าเป็นกำแพงอันยิ่งใหญ่ทาให้เราไม่อาจสามารถที่จะ รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมได้นเหมือนกับหลวงพ่อมาขำหวานเข้าเมาทอดเขาบอกว่าหลวงพ่อองค์นี้ท่านมีความลังเลสงสัยมากมีคุณมีพ่อใกล้จะเพนมีคุณยอมคุณหนึ่งก็มาในมลว่าหลวงพ่อในฐานะที่เราเป็นญาติพี่น้องกันในเพนวันนี้ก็ขอในมลหลวงพ่อไปฉันมาขำหวานที่บ้าน หลวงพ่อก็รับบอเอาตกลงพออีกสักครู่มีคนมานิมนต์บอกหลวงพ่อก็ในฐานะที่ว่าเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันก็ข อ, อนิมนต์หลวงพ่อไปฉันขาา้าเม่าทอดหลวงพ่อก็มันก็ดีเหมือนกันเข้าเม่าทอดนานๆได้ฉันสักทีอ่าเอาตกลงพอถึงพอใกล้เวลาเพงลงหลวงพ่อก็ออกเดินทางไปยังบ้านของที่มานิมนต์มาขามหวานพอเดินไม่ได้สักครึ่งทาง หลวงพ่อแกก็เกิดลังเลวอะเอนี่เราก็รับบ้านโยมอีกบ้านหนึ่งไปฉันเข้าเมาทอดนะฉันเข้าเมาทอดไอข้าเมาทอดเนี่ยไม่ต้องฉันร้อนๆยากระ น, นั่นเลยมาขามหวานเอาไว้ก่อนไม่เสียแกก็กลับจากบ้านมาขามหวานที่ไปได้ครึ่งทางก็เดินมาโยมบ้านเหนือที่อยูเอ่เรียกว่าบ้านขาเมาทอดพอมาได้ครึ่งทางก็มาเนี่ยเออ ให้มาขามหวานนี่มันก็มีเป็นแน่น่ า, นาถ้าเราไม่ไปฉันในวันนี้ก็โอกาสข้างหน้าก็ไม่แน่นอนอาจจะไม่มีอีกก็ได้ออกกลับมาอีกนะอะเดินไปครึ่งทางแล้วกลับมาอีกคือกลับไปกลับมาอยู่ไงคือมีความลังเลสงสัยอยู่เลยจนกระทั่งที่สุดหมดเวลาฉันหลวงพ่อก็เลยอดอาหารเพลิดเพลินนี่มันเรื่องของความลังเลสงสัยดังนั้นคนเราเหมือนกัน ถ้าหากว่ามีวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสยัยตัดสินใจอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปนะเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ดีจะทำให้เรานั้นไม่ได้ลิ้มรสสภาวะธรรมอันที่ถูกที่ควรนะเมื่อเราไม่ได้ลิ้มรสธรรมอันที่ถูกที่ควรแน่นอนที่สุดการดาเนินชีวิตของเรานั้นจะไม่ถึงอมตะธรรมหรือว่าไม่ถึงสุขถึงที่สุดนะ เหมือนกับอคนเลี้ยงโคย่อมไม่ได้ดื่มอปัญเจโครดหรือว่าย่อมไม่ได้ดื่มอานมของโคนั่นเองพูดง่ายๆได้จะเป็นผู้เลี้ยงโคตื่นขึ้นเช้าก็ปล่อยโคออกจากคอกไปถึงเย็นก็ต้อนโคกลับเข้าคอกอีกแต่พอถึงเวลาคนอื่นก็มารีดเอาน้ำนมไปดื่มหรือเอาไปขายคนอื่นหมดตัวคนเลี้ยงไม่ได้กินสักวันนะไม่ได้กินสักมื้อนึงอ่านี่แหละการปฏิบัติทําเหมือนกัน คนเรานี่ทั้งๆที่อยู่กับธรรมะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสธรรมอันนี้ก็น่าเสียดายฉะนั้นขอก็ขอได้โปรดทราบไปเลยว่าพระโสดาปฏิมรักหรือพระยาบุโคลในชั้นนี้หมดความลังเลสงสัยนะและมาในข้อที่สามก็คือสีลพตตปรามาตคือการโลกครัมสินหรือถูกต้องสินพธอันนี้ก็หมายถึงว่า <c oughs> การไม่ยึดถือ นะไม่ยึดถือเกี่ยวกับเรื่องพูดปีปีศาจหรือพวกผีเจ้าเข้าทรงหมอดูฝูกดวงอะไรต่างๆนะไม่มีอีกแล้วไม่เอาไอ้เรื่องการฟันดีฟันร้ายเข้ามาเนี่ยไม่มีนะพวกนี้ไม่มีแล้วไอ้ทที่ว่ามาทั้งสามอย่างนี้รู้สึกว่าชาวบ้านเราหลงกันมากเลยติดกันมากนี่แหละเราจึงไปไปสู่มรรคผลเรื่องสู่ไม่ได้นะไม่ได้เรา เรามันไม่ใช่เป็นคนมีมรรคสี่นะไอ้เรามันประเภทอ่าถ้าเพิ่มไปอีกก็มันมีมรรคสองก็คือมรรคได้กับมรรคมากนะเป็นคนมรรคได้กับมรรคมากไอ้มรรคได้กับมรรคมากนี่แหละมันทำให้ปิดมรรคสี่นะจึงไม่พบโสดาปฏิมรรคสกทาคามมรรคอนาคามรรคและอรหัตมรรคนี่มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอโสดาปฏิมรรคนี้จะไม่ติดอยู่ในพวกอ เกี่ยวกับเรื่องหมอดูหรือผูกดวงผูดผีปีศาจผีเจ้าเข่าจงหรือการทํานายฝันการทํานายทายทักทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่มีการหลงไหลอีกแล้วพ้นพวกนี้อีกแล้วนะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์นี้ยังมีอิทธิพลอยู่กับสามัญชนทั่วไปแต่พอจิตถึงระดับขั้นแล้วหรือว่าถึงสูงแล้วเรื่องนี้ก็ไม่มีความหมายนะไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะว่าคนจะดีจะชั่วนั้นไม่ได้อยู่ที่ดวงดาวนะมันอยู่ที่เหตุที่ผลอยู่ที่การกระทํา ข้อนี้สำคัญ อ, อยู่ที่ตัวของเราสุนัขขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังเป็นต้นขณะนี้คู่ดียามดีเลิกปีนั่นแหละคือความพร้อมไม่ใช่ว่าจะต้องมาบวกลบกูนหารอะไรกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระอิยบุคณพราอยบุคลปร ะ, ะเภทที่สองในข้อใหญ่ก็คือสกทาขามีมักมักนี้ก็จะเป็นเหตุละสังโยชน์ได้สาม เช่นเดียวกับโสดาปิมักิก็คือล ะ, อะสักกายติทิวิจิขิจชาสีละพษัปรามาพร้อมกับทำราคะโทสะให้เบาบางทาราคะตทสะให้เบาบางคือการทำราคะตทสะให้เบาบางก็คือหมายความว่าเมื่อล ะ, อะเมื่อไม่มีความลังเลเมื่อเมื่อพ้นจากความ เห็นที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนะคนไปแล้วหรือไม่มีความนังเลสงสัยแล้วแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสินทร์เกี่ยวกับเรื่องผีเจ้าเข้าทรงหมอดูปลูกดวงหรือพูดผีปีศาจการทํานายฝันทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่มีแล้วก็ยังทําราคะคือความตำหนักจินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสให้เบาบางลงไปแล้วก็มีโทสะคือความทิพทุสลายผู้อื่นก็เบาบางลงไป นี่เป็นเรื่องสกทาคามีมัค ส, สูงขึ้นไปกว่าโสดาปิมัคอีกขั้นหนึ่งมาในข้อที่สามก็คืออนาคามีมัคมัคนี้เป็นเหตุละเป็นเหตุละโอรัมพาสิยะสังโยกได้ห้าสังโยช์ได้ห้าก็คือหนึ่งละสักกายะทิฏฐิได้ละวิสิทธิชาได้ละสิลวัตตาปรามาตได้ละกามราคะได้และและปฏิฆะได้อันนี้ก็หมายความว่า ท้ายบุคคลผู้ได้ผู้ตั้งอยู่ในอนาคามีมั้งก็คือผู้ละสักกายทิฐิไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนะละหมดแล้วพ้นหมดแล้วในทรงนี้นะพ้นแล้วรู้ว่าตัวของเรานี่เป็นของไม่เที่ยงนะไม่จีรังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ประกอบไปด้วยธาตุสีนะ่ประชุมกันเข้าดินน้ำไฟลมเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างยังประชุมกันเข้าก็ยังดำรงเป็นร่างกายดำรงเป็นชีวิตยอยู่แต่เมื่อมันแยกกันมันก็หมดกันไปเมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าอาสังขารหรือร่างกายนั้นเป็นของไม่สวยไม่งามนะไม่ควรที่จะต้องมาลงหลงไหลไปฝัฝนแเ่งแย่งอะไรกันนะ อันนี้อนาคตามรละได้วิจิกิจช้าความลังเลสงสัยก็หมดไปในเรื่องพระพุทธธรรมประสงค์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วก็ศีลคละส า, ามารถก็หมดไปไม่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องผูดซีปีสาซีเจ้าเข้าทรงหมอดูผูกดวงหรือเกี่ยวกับเรื่องการฝันเกี่ยวกับเรื่องเลิกยามต่างๆการมาราคะเกี่ยวกับความกำหนัดในการมคือรูปเสียงเป็นรถอาโปธภะ นะยินดีสิทธดในรูปในเสียง ใ, น, ง ใ, น, ใ น, นติดในรสในการสัมผัสก็หมดไปไม่มีและปริฆาความกระทบกระทั่งแห่งใจอันเป็นบ่อกเกิดแห่งความโกรธความคิดประทุร้ายเกิด ค, ความอาฆาตพยาบาทก็หมดไปนี่ละกิเลสทั้งห้าอย่างได้เรียกว่าละโอรมภาคียะสังโยชน์คาว่าโอรมภาคิยะก็หมายความว่าละสังโยชน์ในส่วนเบื้องต่ำนะโอรมภาคิยะนี่แปลว่าส่วนเบื้องต่ำห้าอย่างนี่ถือว่าส่วนเบื้องต่า แต่ว่าอย่างพวกเราฟังดูแล้วมันไม่ใช่ต่ำเลยมันเป็นของสูงมากนะเป็นของสูงมากทีนี้ก็มาอาหัตมักอาหัตมักนี่ก็เป็นมักนี้เป็นมักที่ละสังโยชน์ได้สิบนะละได้สิบโดยสิ้นเชิงคือสังโยชน์สิบก็ตั้งแต่หนึ่งจักรกายาธทิฏฐิสองวิจิกิจฉาสามสีระพสตารามาสสี่การมราคาะห้าปฏาิปฏิราคาะห้าปฏิฆะหก รูปราคะเจ็ดอรูปราคา 8, นะแปดมาณะเก้าอุทจักสิบอวิชชานะสิบอวิชชาทั้งสิบอย่างนี้พระราตมรละได้โดยเด็ดขาดนะคือเพิ่มมาอีกห้านะเพิ่มมาอีกห้าก็คือเพิ่มรูปราคะคือไม่มีความกำหนัดในสิ่งที่เป็นรูปนะไม่สิ่งที่เป็นรูปอรูปราคะแม้สิ่งที่ไม่มีรูปก็ไม่มีความกำหนัดไม่มีความยินดี มานะก็หมดความสําคัญถือเนื้อถือตัวว่าดีกว่าเขาเด่นกว่าเขาเลิศกว่าเขาอ่าก็หมดไปอุทธะความฟุ้งซ่า น, นําคาญใจไม่มีติดอยู่ในทุลีในกิเเป็นกิเลสเครื่องลอยรัด ก, ก็หมดไปอวิชชาคือความความไม่รู้ก็หมดไปเหลือแต่วิชาเนะี่ยคือความรู้แจ้งคาว่าอาวิชชาคือรู้ไม่แจ้งรู้ไม่ดีรู้ไม่ถูกแต่ถ้าอ่ะมันหมดไปก็เหลือวิชาความรู้แจ้ง นะรู้แจ้งรู้ดีแล้วก็รู้เหตุรู้ผลรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ทางให้ถึงความดับทุกข์อันนี้แหละพร ะ, อ, ะอารหัตมตรละได้นะละสังโยชน์ได้ทั้งสิบไอ้คําว่าสังโยชน์สิบที่ได้กล่าวมานั้นก็ได้แก่กิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของสัตว์ให้หลงให้ติดอยู่นะจนไม่สามารถที่จ ะ, ะตัดภพตัดชาติได้แต่พระอรหัตหรือพระยบุคคลนี้สามารถที่จะตัดภพตัดชาติได้นะตัดชาติได้ นี่ก็เป็นเรื่องของมรสีพอเป็นย่อดๆพอเป็นแนวทางทีนี้เมื่อพูดถึงมรสีแล้วก็มาฟังถึงเรื่องผลสีต่อกันเพราะมันต่อเนื่องกันอาผลสีก็ได้แก่หนึ่งโสดาปฏิผล 2. สองสกทาคามีผลสามอนาคามีผลสี่อรหัตผลอาคําว่าผลได้แก่ธรรมารมอันเกิดสืบเนื่องมาแต่มรลนี้เป็นคู่กันกับมรส ท่านกล่าวว่ามรรคกับผลนี้ใกล้เคียงกันเพียงชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นต่อจากขณะจิตนั้นก็เป็นผลนะเต็มภูมิธรรมในชั้นหนึ่งหนึ่งผู้ได้บรรลุโสดาปฏิผลเรียกว่ า, าพระโสดาบันเป็นต้นนะพระโสดาบันเป็นต้นอันนี้ก็คิดว่านักเรียนนักศึกษานะท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย ควรเข้าใจว่าระวังมร ก, กับผลนี้ห่างกันชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นต่อจากขณะจิตไปก็เป็นผลคือหมายว่าต่อจากโสดาปฏิมรกเนี่ยห่างกับโสดาปฏิผล่ะชั่วขณะจิตหรือถ้าจะพูดได้ง่ายก็คือว่าชั่วกระดิกนิ้วมาเพราะกระดิกนิ้วเนี่ยจากมร ก, ก็ถึงผลนะจากมร ก, ก็ถึงผลคือถ้าจะพูดได้ง่ายก็หมายถึงว่าผู้ที่ได้บรรลุโสดาปฏิมรกเนี่ยบรรลุแล้วนะแต่ว่ามันเหมือนกับไฟที่เราดับ ไฟฐานเนี่ย ร, ร้อนๆเนี่ยเราเอามาดับแล้วมันยังร้อนอยู่อนะฉะนั้นไอ้ดวงดับแล้วเนี่ยได้แก่โสดาปฏิมักนะแต่อันที่ยังร้อนอยู่เนี่ยนีเนี่ยเนี่ยพอพอมาถึงโซดาปฏิผลก็ดับสนิทเลยเย็นไม่ร้อนอีกแล้วอืหายหายแล้วหายหมดเลยฉะนั้นจากมักถึงผลเนี่ยห่างกันชั่วนิดเดียวชั่วขนาดจิตอืะหรือพูดง่ายๆช่วงงูแลบลิ้นก็ได้นะช่วงงูแลบลิ้นก็ได้จึงบอกว่า ระวังมรรคกับผลนี้ใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากเรียกว่าต่อจากขณะจิตนั้นก็เป็นผลเต็มภูมิธรรมในชั้นหนึ่งหนึ่งเต็มภูมิธรรมในชั้นหนึ่งฉะนั้นมรรคกับผลนี้ท่านแสดงอุปมาไว้ว่าสังโยชน์เหมือนกับโรคในในกายในกายมรรคเหมือนกับการรักษาโรคให้หาย าผลเหมือนความสุขความสบายอันเกิดขึ้นแต่ความไม่มีโรคอันนี้ขอให้ให้ฟังอีกเที่ยวหนึ่งว่าคําว่าสัง่งยศคือติเลสเครื่องร้อยรัดใจจิตใจสัตว์นั้นเหมือนกับโรคนะที่มันมารุมสมกายเรานะทําให้เราเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนนเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนนะแล้วก็มักก็เหมือนกับการรักษาโรคนะเหมือนกับหมอที่มารักษาโรค ว่าเราเป็นโรคอะไรหมอก็ตรวจดูแล้วก็วางยาให้เหมาะสมอันนั้นแล้วก็คำว่าผลก็เหมือนกับความสุขที่เกิดจากความสบายความไม่มีโรคก็คือหมายว่าหมอได้รักษาเราหายโรคแล้ว อ, อย่างนี้แล้วก็คือผลนั่นเองก็คิดว่านักเรียนนักศึกษาก็พอจะจัดใจความได้นะทีนี้ถ้าหากว่าจะมีเป็นคาถามว่ามักที่ในชื่ออย่างนั้นเพราะอะไร อะะาชไนจึงเรียกว่ามัคสีอันนี้ที่ได้ชื่ออย่างนั้นก็เราก็บอกว่าอาชื่อตามภูมิธรรมชื่อตามภูมิธรรมพูดง่ายๆก็คือว่าตามภูมิธรรมที่ได้กำจัดสังโยชน์ได้โดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างยังโสดาปฏิมา ก, ก็ละได้สาม ละได้ละสังโยชน์ได้สมสักกายทิฏฐิวิจิพิจฌาสีละพส่าปรามาสักกะทาคาวิมัค ก, กัละได้สามพร้อมกับธรรมราคะโทสะให้เบาบางอนาคาวิมัคละได้หตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพส่าป ร, ม า, รามาสการมราคะปฏิฆะแล้วอรหัตมัคก็ละได้สิบตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพส่าปรามาสการมราคะวปฏิฆะรูปราคะอารมณราคะมาน ะ, าา ะ, า ะ, าะาอุตจะอวิชชาทีนี้ถ้ามีคำถามว่ามัคนั้นกำจัดสังโยชน์ได้ด้วยวิธีอย่างไร อันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าอาด้วยวิธีกําหนดรู้ทุกขสัจและสมุทยัยสัจทําให้แจ้งนิโรธสัจทำมรรคสัจให้เกิดนี่หรือถ้าจะถามว่ า, าท่านจึงจัดมรรคและผลเป็นอย่างละสี่รวมกันเป็นอริยบุคคลแปดจงอธิบายให้เหมาะสมเราก็แก้ได้เลยว่าการที่ท่านจัดมรรคเป็นสี่ด้วยอํานาจกาจัดหนังโยสยิ่งย่อนกว่ากัน จัดเป็นผลสีนั้นเพราะเหตุในเบื้องต้นคือมรกมีสีแล้วส่วนผลก็จาเป็นอยู่เองที่จะต้องให้มีสมกับเหตุสีในเบื้องต้นรวมความว่าที่จัดผลเป็นสีก็เพราะจัดตามมรกสีนั่นเองหรือถ้าจะถามว่าอุทจจะจัดเป็นนีวรนเพียงปฐมฌานก็ละได้ฉ่นไหนท่านจึงจัดว่าอาธธรรมละได้ฌานละ อ, อ, อุทจนีวอนได้ด้วยวิธีวิขพักประหาร คือการข่มไว้นั่นเองยังไม่ได้ละได้โดยเด็ดขาดแต่ส่วนอรหัตตมรคนั้นละอุทจฉังโยดได้ด้วยสมุเฉทประหารก็คือละได้โดยการตัดโดยเด็ดขาดนั่นเองนะนี่เป็นเรื่องของนี่เป็นเรื่องของอของของอรหัตตมรนะของอรหัตตมร ก, ก็คิดว่านักเรียนนักศึกษาก็พอจะเอาเป็นหลักฐานได้นะ อันนี้เกี่ยวกับเรื่องอมักเรื่องผลนี้นะมีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามักสี่นี้สมเด็จะมหาสำนากเจ้าทรงประทานอธิบายไว้ตามในที่กล่าวมาแล้วอันนี้ก็คือสถาทามักไม่ไม่ชัดเหมือนมักอื่นๆแวงอยู่ในระหว่างโสดาปติมักกับอนาคามิมักและคำว่าธรรมราคะโทสะให้เบาบางลงนั้นก็ไม่ชัดเพียงไรสันนิษฐานได้เพียง ราคะที่แรงกล้าเป็นเหตุไปอบายเช่นกาเมตุมิจฉาจารพยาบาทสงบมาแต่ครั้งโสดาปฏิมักแล้วแปลว่าท่านผู้เป็นโสดาบันไม่ทํากาเมตุมิจฉาจารและไม่จองเวรผู้อื่นแต่ยังมีภรรยาสามีตามประเพณีโลกและยังโกรธผู้อื่นป่ายอนาคามิมักกาจัดราคะอาโทสะได้สิ้นเชิงแปลว่าท่านผู้เป็นอนาคามิมักเป็นโสตไม่มีคู่ ไม่สมควรรักใคร่ในทางกามไม่โกรธถึงใครราคะโทสะอนันต า, าคามีมักทําให้เบาบางลงนั้นอแปลว่ายังมีแต่ไม่ใช่อย่างแรงจะอธิบายว่ามีห่งหางๆหรือว่ามีอย่างสุ ข, ขุมก็ไม่ปรากฏว่าเพียงไรอีกและโมหะนั้นจะอะเด็ดขาดเลยไม่ได้นะเพราะอรหัตามักสัจทาขาวีมักทำมักให้เบาบางอมักทําให้เบาบางลง ได้เพียงไรไม่ชัดเหมือนกันยังจึงเป็นมครคที่อมืดมัวอยู่ฉะนั้นมีทางสันนิษฐานได้อย่างหนึ่งก็คือว่าคนยังมีความรักมีโกรธมีหลงแต่เขาไม่เรียกว่าผู้รักง่ายผู้โกรธง่ายผู้หลงง่ายทุกคนไปเขาเรียกเฉพาะคนมีกิเลสเช่นนั้นว่าเป็นเจ้าเริอนพระสกทาคามีไม่ใช่ผู้รักง่ายผู้โกรธง่ายผู้หลงง่า ย, ายแต่ไม่พ้นยังมัวหมองอยูอ่ความจริงเป็นอย่างไรก็ ให้นักเรียนนักศึกษาลองค้นคว้าดูก็อาจจะได้อะไรดีๆอีกมากนะนี่ก็เป็นเป็นเรื่องของมรรคตามในของสมเด็จสมมหาสมณเจ้านะตามในของสมเด็จมหาสมนเจา้าทีนี้ก็เมื่อพูดถึงอย่างนี้ก็คิดว่าอนักเรียนนักศึกษาก็พอจะเข้าใจนะก็จะขอพูดในเวลาอีกนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องอโยนิสามนะคําว่าโยนิสาม ก็ได้แก่หนึ่งชลาพุชะเกิดในคันสองอันดชะเกิดในไข่สามสังเสรชะเกิดในเท่าไคร่ีโอปปาติกะเกิดผุดขึ้น 5. คําว่าโยนิแปลว่ากาเนิดนะแปลว่ากําเนิดจะแปลอุบัติเกิดขึ้นของเราสัตว์ทั้งหลายจําแนกเป็นสี่ประเภทคือหนึ่งชลาพุชะเกิดในคัน 5. ได้แก่สัตว์ทั้งหลาย 5. จําพวกที่ คลอดออกมาแล้วดูดนมนะปลูกมนุษย์นะปลูวกวัวปลูกควายปลูกช้างมานะหรือปลูกสุนัขแมวเป็นต้นนะอย่างนี้เรียกว่าชลาพุ ช, ชะคือเกิดในคันอันดชะก็คือเกิดในไข่ได้แก่กาเนิดจัตเจริญสานที่เกิดในไข่ก่อนแล้วจึงฟักออกเป็นตัวในภายหลังก็มีไก่มีเป็ดมีห่านมีนกมีงูเป็นต้นแต่งูบางชนิดกอ็ออกลูกเป็นตัวก็มีนะแต่มีน้อย ประเภทที่สามก็คือสังเสรชะเกิดในเท่าใครได้แก่กำเนิดสัตวเดริญฉานที่เกิดขึ้นในของโสโครกหรือโสมมจำพวกหนอนเป็นต้นอากำเนิดอันดชะกับสังเสรชะจะแยกออกเป็นคนละแผ น, นก็ได้อาจำพวกเกิดในไข่ฟักออกเป็นตัวเติบโตขึ้นนับเป็นจำพวกอันดชะอาจำพวกเกิดในไข่หรือไม่ปรากฏว่าเกิดจากอะไรเป็นชนิดหนอนและมแมลงต่างๆจัดเป็นสังเสรชะ อีกอย่างหนึ่งท่านกล่าวว่าจำพวกที่มีเลือดแดงจัดเป็นอันดชะจำพวกที่มีเลือดเหลืองจัดเป็นสังเสทชะสี่โอปปาติกับเกิดผุดขึ้นได้แก่กำเนิดของพวกเทวดาและสัตว์นรกเป็นต้นเทวดาก็ดีสัตว์นรกก็ดีไม่ได้ถือกำเนิดทั้งสามอย่างนั้นแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดผุดขึ้นในทันทีทันใดนั้นโตใหญ่เป็นวินยูชนทีเดียวไม่ได้เป็นเด็กมา ก, ก่อน เมื่อจุติก็หายวับไปทีเดียวไม่ต้องทิ้งซากไวเกเ้เหมือนกำเนิดสามขั้งต้นเหมือนกาเนิดสามขั้งต้นถ้าหากว่าะจะมีคำถามวัชลาพุท ช, ชะกำเนิดและโอปปาติกะกำเนิดต่างกันอย่างไรเราก็ตอบได้เลยว่าต่างกันก็คือชลาพุทธะกำเนิดนั้นได้แก่พวกมนุษย์และก็สัตว์เดรัจฉาน หาประเภทคลอดมาเป็นตัวแล้วก็ดูดนมนะมีโครกระเบือเป็นต้นส่วนโอปาปาติกนะได้แก่กำเนิดของพวกเทวดาหรือสัตว์นรกเป็นต้นเทวดาก็ดีสัตว์นรกก็ดีหาได้ถือปฏิสนธิในท้องมารดาไม่อนะเกิดผุดขึ้นในทันทีทันใดโตใหญ่เป็นวินญูชนทีเดียวหาได้เป็นทารกมาก่อนไม่เมื่อจุติก็หายวับไปไม่ทอดทิ้งซากไว้ไม่ทอดทิ้งซากไว้นะไ หรือถ้ายาถามว่าสัตว์จะได้ฉานจำพวกมีเลือดแดงและจำพวกมีเลือดเหลืองเรียกว่าเกิดในอะไรจำพวกนกเรียกว่าอันดชะหรือสังเสตชะอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าจำพวกมีเลือดแดงจัดเป็นอันดชะจำพวกมีเลือดเหลืองก็จัดเป็นสังเสตชะจำพวกนกเรียกว่าอันดชะเพราะสมกับพระอัจฉริยที่ท่านแสดงไว้ว่า ได้ไว้ได้แก่สัตว์โดยสารที่เกิดในไข่ก่อนแล้วจึงฟักออกเป็นตัวดังนี้เป็นต้นเอาละเกี่ยวกับเรื่องการอธิบายถึงเรื่องมรสีผลสีแล้วก็โยนิสีก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้จะพูดในหมวดที่สี่ ว่าด้เรื่องวันณะสีวันณะสีก็ได้แก่หนึ่งประศัตรสองตรามสามแพทยสี่ 4. สูตรคําว่าวันณะได้แก่พวกหมู่หรือว่าชั้นของบุคคลแบ่งกันเป็นชั้นๆตามหน้าที่อแบ่งกันเป็นชั้นๆตามหน้าที่อันนี้ก็มีปรากฏในครั้งชมพูทวีป หรือว่าในครั้งพุทธกาลท่านจําแนกออกเป็นสี่ก็คือหนึ่งกษัตริย์ก็ได้แก่จําพวกเจ้าหรือพวกพระราชามหากษัตริย์มีหน้าที่ในการปกครองบ้านเมืองหน้าที่ในการปกครองบ้านเมืองแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีหน้าที่ในการพวกฝึกวิทยายุทธ์ต่างๆแล้วก็ส่วนข้อสองคือพราหมณ์ได้แก่จําพวกที่ศึกษาเล่าเรียนไตรเพศ มีหน้าที่ในการอบรมสัง่งสอนหรือว่าทําพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ก็ถือว่าเหมือนว่าเป็นพวกอพวกพระนั่นเองนะเป็นพวกพระแล้วก็สามแพทย์ได้แก่จําพวกคนเรือนนะจําพวกคนละเรือนหรือพวกพ่อค้าพวกชาวนามีหน้าที่ในการเลี้ยงชีพตามแต่ถนัดนะตามแต่ถนัดสีสูตรได้แก่จําพวกคนงาน ที่มีหน้าที่รับจ้างทำงานหาเลี้ยงชีพนีอันนี้ได้แก่พวกสูตรนีพวกสูตรเมื่อพูดถึงวันณะสี่ก็ทำให้นึกถึงในสมัยอินเดียหรือว่าคนอินเดียอันนี้ถือมากถือมากแล้วก็นี่แหละประเทศที่ไม่เจริญก็เพราะว่ามัวมาแบ่งชั้นวันณะกั น, นแบ่งชั้นวันณะกัน คือพวกกษัตริย์ก็อยู่กับพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์ก็อยู่พวกพราหมณ์แพทย์จะอยู่พวกแพทยสูตรจะอยู่พวกสูตรจะไปปนคะกันไม่ได้แล้วก็จะไปสมสู่กันไม่ได้จะไปแต่งงานกันไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องอับปี่จังไรเป็นเรื่องการละกินีนะถือว่าเป็นเรื่องอย่างนั้นคือกษัตริย์พราหมณ์และพราหมณ์นี้ถือว่าเป็นคนชั้นสูงแพทยถือว่าเป็นคนชั้นกลางสูตรดูถูกเหเอียดยามว่าเป็นคนชั้นต่ำนะถือว่าต่ำต่ำมากนะ ต่ำมากนี่เนี่ยฉะนั้นจึงว่าเมื่อมีการแบ่งชั้นวันณะกันอย่างนี้อพวกสูตรก็กลายเป็นพวกกรรมกรนะพวกกรรมกรจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในทางที่ดีนะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสจะได้ศึกษาในชั้นสูงๆเพราะว่าถูกเขาลำเกียดว่าเป็นคนชั้นต่ำซึ่งบางทีอาจจะมีมันสมองอดีกว่าคนชั้นสูงก็ได้นะคนเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็เป็นมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นเหมือนกัน แต่เมื่อเกิดมาแล้วเราจะไปแบ่งว่ายังโดยที่ว่ายังไม่ได้ทํางานยังไม่ได้เข้าโรงเรียนศึกษาว่าคนนั้นเป็นคนชั้นต่ําไม่ได้คนเราจะสูงหรือต่ํานั้นมันอยู่ที่จิตใจอยู่ที่การศึกษาแต่เราไม่กดโอกาสให้เขาได้ศึกษาแล้วเราจะบอกว่าเขาต่ําได้ยังไงอืาฉะนั้นอันนี้แหละถ้าหากว่าเราไม่เอาวันณะเข้ามาเป็นกําแพงแน่นอนที่สุดนั่นแหละจะทําให้ คนอินเดียนี้มีจิตใจสูงขึ้นมากแต่เมื่อเอาวันณะเข้ามาเป็นเรื่องกำแพงเป็นเรื่องอแบ่งชั้นวันลนะก็ทําให้คนอินเดียนั้นมีจิตใจต่ํานะมีจิตใจต่ําประเทศจึงไม่เจริญยังล้าหลังอีกมากนะล้าหลังมากเกี่ยวกับเรื่องประเทศอินเดียนะถ้าหากว่าทํางในไปพบไปเห็นแล้วท่านจะนึกว่าคือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าจะเริ่มที่สุดก็อินเดียนะเรียกว่าต่ําช้าที่สุดนะ ก็ล้าหลังที่สุดก็อินเดียคนรวยที่สุดก็อินเดียคนจนที่สุดก็อินเดียคนสวยที in road, ่ส <establishing> ุดก in ็อ <sh> ินเดียเอีคนสามที่สุดก็อินเดียเหมือนกันนะฉะนั้นอินเดียนี่จึงรวมเอาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะรวมทุกอย่างฉะนั้นในสมัยพุทธกาลนั้นจึงมีจึงมีศาสนาหรือมีนักปราชญ์ที่เกิดขึ้นในอินเดียมากเกิดขึ้นมากมีหัวหน้ามีลัทธิต่างๆเยอะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ไป อบังเกิดที่นั่นพูดง่ายๆก็คือได้ไปประสูมที่นั่นก็เพื่อจะอทําลายล้างโชกทิฏฐิต่างๆนะให้หมดไปให้เบาบางไปแต่ถึงตอนนั้นก็ไม่หมดนะไม่หมดอนะแต่ก็นับว่าอคนอินเดียนี้โชคดีนะโชคดีแต่เดี๋ยวนี้อทั้งๆที่ว่าอินเดียเป็นแดนอนะพุทธศาสนาแต่เดี๋ยวนี้แดนพุทธศาสนาจริงๆนั้นเหลือเพียงห้านะเปอร์เซ็นต์เพียงห้าเปอร์เซ็นต พระพุทธศาสนากลับมาเจริญอทางตะวันออกขึ้นมาอีกก็คือทางประเทศไทยนะทางประเทศไทยทางนี้เจริญมากกว่าด้วยทางพ ม, ม่านะทางประเทศไทยพ ม, ม, ม่าอคนเบร์ราญี่ปุ่นอจีนอะไรพวกนี้เจริญมากกว่าฉะนั้นอันนี้ก็ก็น่าดีใจน่าภูมิใจที่พวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้เราได้ มีความรู้มีความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงไดง้ทีนี้ถ้าจะมีคำถามว่าที่ท่านจัดวันนะสีก็เพื่อให้คนรู้สึกตั้งใจทำกิจอันเป็นหน้าที่ของตนของตนไม่กลับกรอกทีนี้พิสุสมมณีนก็จัดเป็นวันนะอะไรมีหน้าที่เช่นไรเพื่อจะได้ทำหน้าที่เช่นไร เพื่อจะได้ทําหน้าที่นั้นๆจริงๆอย่างนี้ถูกหรือไม่อันนี้ก็เมื่อพวกปิโสส ม, มนเนิก็จัดเป็นพวกพรามณ์คือมีหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนอบรมตัางสอนกุลบุตรกุลสตรีทั่วไปเพื่อให้รู้คุณธรรมและได้ตั้งอยู่ในธรรมนั้นๆละธรรมอที่ไม่ดีไม่งามนะดังนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของวันณะสี่ เมื่อพูดถึงวันนักสีก็คิดว่านักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอจะจับเป็นแนวทางนะได้เถิ่งย่ยอๆแต่ว่าพวกพราหมณ์นั้นก็ไม่ได้เรียนเหมือนอย่างพวกพระพิสุสัมเนนนะพวกพราหมณ์คือพวกพราหมณ์นี่ก็จะเรียนพวกไตรไตรเพศไอ้คาว่าไตรเพศหรือบางทีก็เรียกว่าไตรเวทก็หมายถึงเวทสามนะไอ้เวทนี่ก็หมายถึงว่าความรู้สามอย่างเกี่ยวกับเรื่องอ่า ระชระเวทนะเรสามาเวทอ่าอ า, อาถันพะเวทนะนี่สามอย่างฉะนั้นอาพวกนี้แล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องบทสวดมนต์ต่างๆนะบทสวดมนต์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการอาทําพิธีอบรมสั้งสอนหรือเครื่องคาถาอาคมอืานะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องพราหมณ์ต่างๆก็จึงมาระบาดในประเทศไทยเรามากตั้งแต่กรุงสุขโขทัยนะเพราะว่า นางนพมาศนี่ก็ถือว่าเป็นตระกูลของพราหมณ์ที่มีสติปัญญาดีมากนะแล้วก็มารุ่งเรืองในสมัยในการที่ห้าอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นพิธีของเราพิธีกรรมของพุทธเราทุกวันนี้จึงเจือปนไปกับพามจนดูกันแทบไม่ออกอืะดูแทบไม่ออกตั้งแต่เริ่มเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหมอดูผูกดวงพวกปีเจ้าเข่าทรงอะไรต่างๆเนี่ยสารพระภูมิเนี่ยนะทำนายฝันนี่เป็นเรื่องของพราหมณ์ทั้งนั้น บวชพระแต่งงานที่อทําพิธีต่งตางๆเนี่ยมีการทําขวัญกันอย่างนี่นะเนี่ ย, ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของพรามแต่ถ้าของพุทธนั้นจะบวชพระแต่งงานนั้นใช้ใช้พระอบรมสั่งสอนพูด ง, ง่ายๆก็คือเทส์นั่นเองนะเทส์ให้เกิดสติปัญญาไม่ได้ทําเรื่องพิธีกรรมแต่ทุกวันนี้เรามาติดเรื่องพิธีกรรมเอามากก็ไม่ใช่ว่าพิธีกรรมนั้นจะไม่ดีเลยนะมันก็มีส่วนดีแล้วก็มีส่วนไม่ดีอีกเหมือนกันฉะนั้นในฐานะที่เร า, าเป็น ชาวพุทธก็ควรจะมองมองดูว่าอะไรมันควรไม่ควรเหมาะสมกับกาลสมัยอย่างไรอันนี้ก็ควรทำให้ถูกต้องนะควรทาให้ถูกต้องแล้วเราก็จะอยู่ในสังคมอย่างมีความผาสุกความเจริญ <c oughs> ทีนี้ก็จะพูดเมื่อพูดถึงวันะสี่ก็เป็นเพียงแนวทางแล้วก็จะพูดถึงวิบัตสีบ้างนะวิบัตสีก็ได้แก่หนึ่งสีแล้ววิบัตนะความวิบัตแหง่งศีล สองอาจาระวิบัติความวิบัติแห่งอาจาระสามทิฏฐิวิบัติก็คือความวิบัติแห่งทิฏฐิสี่อาชีววิบัติก็ได้แก่ความวิบัติแห่งอาชีวะอ่าคําว่าวิบัติก็แปลว่าชิบหายอืะแปลว่าชิบหายหมายความว่าผิดแปกจากปกติอผิดแปกจากปกติคือได้แก่ความประพฤติที่เสียหายไม่ดีไม่งามอไม่ดีไม่งามคือมันก็แปลวิบัตินี่มันคู่กับสมบัติ สมบัติแล้วว่าถึงพร้อมถึงพร้อมแต่วิบัติแล้วก็งวดแล้วไม่ถึงพร้อมแล้วชิบหายเลยอชิปหายเลยฉะนั้นวิตัวนี้ยมันมีอํานาจมากอย่างวิัยอย่างเนี้ยก็คือนําไปวิเศษใครมีวิไนก็คือคนนั้นวิเศษเป็นคนวิเศษก็คือมีระเบียบนั่นเองนะมีระเบียบอยู่ที่ไหนก็มีระเบียบตั้งแต่ระเบียบการนั่งการยืนการเดินการไหวการกราบการกินอยู่หลับนอนี่มีระเบียบหมดอื อันนี้เรียกว่าวิในหรือวิเศษอย่างเนี้ยไอวิเศษนี่หมายถึงว่าเป็นคนที่อ่ไอความวิเศษนี่หมายถึงว่าถ้าเป็นคนก็เป็นคนวิเศษก็หมายถึงว่าเป็นคนที่เหนือคนมีสติปัญญาเหนือคนนะวิเศษแต่ว่าวิบัตินี่ไม่ดีนะนหรือว่าวินาศ์นะวินาทหรือพินาทอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีนะไม่ดีฉะนั้นคําว่าวิบัติในที่นี้ก็อ่าคือความชิบหายนั่นเองน่ะฉะนั้นในข้อหนึ่งที่บอกว่าสี่ละวิบัติก็ได้แก่ ความไม่สำรวมในพระปาติโมกนะประพฤติล่วงกฎข้อห้ามที่พระองค์ทรงมัญญัดไว้ตั้งแต่มีปราชิกสี่เป็นต้นนะปราชิกสี่เป็นต้นคำว่าปราชิกสี่ก็คือทำให้พ่ายแพ้นะทาให้พ่ายแพ้จากความเป็นพิสุเป็นสมมณเนก็คือว่าสมมติว่ามีการส อ, องเศษนะอ่าสองเศษเมถุนนะเศษเมถุนก็คือหมายถึงว่าการ อยู่ร่วมกันระหว่างหญิงกับชายเหมือนอย่างนั้นอแต่นี่เป็นการอยู่ร่วมระหว่างหญิงกับอกับบรรดาภิสุสัมมณี น, นแล้วก็การฆ่าโวกแกล้งฆ่ามนุษย์ก็ดีนะพวกนี้ก็หรือว่าอาพูดจาหลอกลวงนะเอาทรัพย์ของคนอื่นเข้ามามีค่าตั้งแต่บาทหนึ่งขึ้นไปหรือห้า ม, มาสกหรือว่า อวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตัวตนอวดว่าตัวเองได้มักได้ผลได้เป็นผู้วิเศษขึ้นมานี่แต่ว่าทำให้ผู้อื่นเกิดความเชื่ออะไรทานองนี้แล้วก็ถือว่าเป็นประราชิบนะหมดจากความเป็นพระพิสุสมาเนนนะถือว่าร่วงศีลวิบัติการไม่ไม่วิรัต์หดเว้นจากเว้นทั้งห้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็จัดเป็นศีลวิบัติของฝ่ายกระหัตอันนี้ก็หมายถึงว่า อ่าสี่ห้านั่นเองนะสี่ห้าก็ถือว่าถ้าหากว่าคนเรายังเกิดมายังฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์กับขังสัตว์เกิดมายังมีการรักทรัพย์ยังมีการประพฤติผิดประเวณียังมีการพูดจากโกหกหลอกลวงกันหรือว่ายังมีการดื่มสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ถือว่าเป็นความวิบัติของบรรดาผู้หญิงผู้ชายโดยทั่วๆไปนี่เป็นเรื่องของศิลวิบัติอันนี้สําคัญคือ คือสีนี้ถือว่าในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นรากแก้วนี่ถือว่าเป็นรากแก้วฉะนั้นอะฉะนั้นต้นไม้นี้จะยั่งยืนอยู่ได้ก็ต้องรากแก้วดีน่ะยังลงลึกไปในดินต้นไม้ก็ดํารงอยู่ได้แต่ถ้ารากแก้วเสียไปแล้วก็อาจจะโค่นง่ายถูกลม่มพัดพาหรือว่าอะไรมาโดนเข้าก็อาจจะโค่นลงได้ง่ายก็ต้นไม้นั้นก็ถึงความวิบัตินั่นเองฉะนั้นทางในฝ่ายของอวินัยของในทางพระพุทธศาสนาเหมือนกัน ถ้าหากว่าพระพิสุสามมเนนได้ล่วงไปแล้วก็ถือว่าทําให้หมดความเคารพความนับถือหมดศรัทธาของอบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายควรท่านสาธุชนทั้งหลายเหมือนกันถ้าหากว่าไม่งดเว้นจากศีลห้าไม่ละเอืองศีลห้าไม่รู้จักวีรัตก็คือการงดเว้นแล้วก็ถึงความวิบัติอีกเหมือนกันขาดความเชื่อถือขาดความยำเกรงหรือว่าไม่มีใครอยากพบค้าสมาคมกลายเป็นคนที่อ โหดร้ายนะเป็นคนที่โหดร้ายมือไวใจเร็วไปไม่ดีมาในข้อที่สองก็คืออาจารณวิบัติได้แก่ความเป็นผู้ไม่รักษามารยาตามธรรมเนียมแบบแผนของพิสุขข้อธุระในกิจทั้งปวงไม่มีความประพฤติตามเศรษฐิยวัตรหรือว่าอาภิสมาจการเป็นตัวอย่างเป็นผู้มักประพฤติแต่ไปในทางที่เป็นโลกโลกวัชชะบ้าง หรือเป็นปันนติวัชระบ้างอ่าจัดเป็นอาจารวิบัติคืออันนี้ก็หมายความว่าการไม่รักษามารยาตามธรรมเนียมของพิสดุก็คื อ, คอว่าไม่ประพฤติตามเสกีวัตหรืออภิสมาจารนะถือว่าไม่สวยไม่งามอันนี้เราจะเห็นได้มากในปัจจุบันนี้นะในปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าอ่าพระภิสดุสัสมนเน็ที่เข้ามา บวชในพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้เลิศเลอเหมือนกันหมดนะเพราะว่ า, าพระวิสุทธสมัมเนธนี่ก็เป็นลูกหลานของญาติโยมนะเป็นลูกหลานของญาติโยมเป็นลูกหลานของชาวบ้าน<ม>การศึกษาส่วนใหญ่แล้วก็มีความรู้น้อยมากนะจบป .4 จบป .6 กัน<ม>เป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นเมื่อเข้ามาบวชแล้วถ้าหากว่าผู้ใดตั้งใจศึกษาดีบวชในสำนักดีได้โครบาอาจารย์ดี ก็ถือว่าโชคดีของผู้นั้นนะจะทําให้มีความรู้สูงยิ่งยิ่งขึ้นก็ทําให้มอีอาจาระาดีนะมีความประพฤติดีอประพฤติงามแต่ถ้าหากว่าผู้นั้นบวชอยู่ในสำนักไม่ดีได้ครูบาอาจารย์ไม่ดีไม่ตั้งใจเรียนศึกษาก็จะทําให้ผู้นั้นเรีกว่ายังยังไม่เป็นพระพิสุทสั ม, มเนรที่ดีนะก็คือว่าเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนที่ดีก็ทําให้ อาเสียเรื่องอาณาจารยก็คือความประพฤติปฏิบัตินะไม่เรียบร้อยไม่มีระเบียบไม่มีวินยัยประพฤติธธเสกขยียวัตเสกขยียวัตนะก็ทําให้ชาวโลกติเตียนนะหรือทําอะไรอย่างโลกโลกนะบูรณะมันก็ไม่สวยไม่งามมีการเออกระเคเคหาจนเกินไปนะหรือทําอะไรเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาทําก็ย่อมเป็นที่จิตถินนินทาของคนทั่วไปนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีไม่งามนะคือในความคิดเห็นแล้วก็ เช่นเป็นต้นว่าอย่างกับถ้าที่สู่สมณะเนี่ยเดินสู่บุหรีนี่นะดูแล้วมันก็ไม่เหมาะไม่ไม่ควรดูแล้วไม่สํารวมนะหรือว่าเวลารับทานอาหารก็คุยกันมากเกินไปอสงเสียงเฮฮาเกินไปหรือบางทีก็เปิดวิทยุโทรทัศน์เฮฮากันเกินไปนะไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็ได้อาจจะมีไปได้ตามการละสมัยแต่ว่าเราต้องดูไว้ถูกการละเทศะอะไรควรไม่ควรนะอะไรควรไม่ควรนี่ข้อนี้เราจะต้องรู้จัก อะไรถ้ามันปิดการละเทศะแล้วมันก็เสียได้นะเพราะว่าความเป็นพระววิสุทธสมเณรนั้นจากต่างจากคารุษฐนะย่างเช่นว่าเราฉันอาหารสองมือ้อถ้าเราไปฉันสา ม, มื้อเสียเนะี่ยอันนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับคารุษฐท้าววิสุทธสมณเณรไม่มีภ <c oughs> <c oughs> รรยาถ้าไปมีท่านก็ไม่ต่างอะไรกับคารุษฐมันก็ไม่น่าศรัทธาไม่น่าเคารพนะเมื่อชาวบ้านมีได้เราก็มีได้อย่างนี้มันก็มันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันนะฉะนั้น เรื่องมารยาทนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญถ้าหากว่าเรามีความสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูกหูฟังเสียงจมูกลมเขิยนลิ้นลินล้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจในึกคิดในอารมณ์ต่างๆรู้จับยับยั้งชั่งใจเดินสํารวมระวังการนุ่งสสบงทรงจีวรก็เรียบร้อยแน่นอนที่สุดอันนี้ก็จะทําให้ผู้ปรเห็นนั้นเกิดความศรัทธาความเชื่อเกิดปสาาัสสะทะความเรื่มใสหน้าเคารพหน้ากราบไหว่นะฉะนั้นผู้ที่ มีอาจาราวิบัติก็คือว่าผู้ที่อประพฤต์แสบไปหรือว่าทําไปในทางที่อาชาวโลกเขาตําหนิติเตียนหรือว่าทําอะไรอย่างโลกโลกนะไม่ค่อยสํารวมเกี่ยวกับเรื่องระเบียบวินัยการเดินการเหิ น, ก า, นการนั่งการพูดการจาหรือปฏิสันถานทุกสิ่งทุกอย่างอ่ามันมันเป็นไปอย่างคาราวะเขาออันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญคนเราเมื่อมารยาทไม่ดีแม้จะความรู้ดีแต่ว่าถ้ามารยาทไม่ดีก็ ก็ยังใช้ไม่ได้นะยังใช้ไม่ได้ถ้าหากว่าความรู้ไม่ดีแต่มารยาทดีก็ยังใช้ได้นะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนั้นต้องความรู้ดีด้วยความประพฤติ ด, ดีด้ว ย, วดดวยก็ใช้ได้มาในข้อที่สามทิฏฐิวิบัติก็ได้แก่การประพฤติเป็นไปตามความเห็นของตนเป็นคนถือรั้นผิดจากทำนองครองธรรมเมื่อจะกล่าวตามที่ท่านจัดไว้ก็มีสิทธิ์อย่างด้วยกันคือหนึ่ง เห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลสองสิ่งที่บูชาแล้วไม่มีผลสามสิ่งที่เส้นสวงแล้วไม่มีผลอ้าไม่มีผลอสี่ผลวิบากของกรรมที่ทําแล้วดีหรือชั่วไม่มีห้าโลกนี้ไม่มีหกโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณเจ็ดบิดาไม่มีคุณแปด จัดเป็นโอปปาติกะไม่มีเก้าสมณพราหมณ์พูดถึงธรรมอันชอบผู้ปฏิบัติชอบไม่มีสิบการถือทิฏฐิตามที่แสดงมานี้ก็ด้วยความดื้อรัน้นหัวดื้อถือดอีอันนี้ถือว่าเป็นทิฏฐิวิบัตนะิถือว่าเป็นทิฏฐิวิบัติถือว่าเห็นผิดฉะนั้นอันนี้ก็ท่านลองนึ ก, นกดูสิว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหม คือคนเราทุกวันนี้มักจะทําอะไรก็คือทําเอาตามความเห็นของตนเอาตนเป็นใหญ่ให้ความเห็นของคนอื่นนั้นผิดหมดอันนี้ไม่ได้เนีอันนี้ไม่ได้นนไไดถือว่าความถือว่าเรานั้นมีความเห็นขวางโลกขวางสังคมนะใช้ไม่ได้คือคนเราทุกคนไม่ใช่ดีเราคนเดียวคนที่ดีกว่าเราก็มีนะฉะนั้นเราต้องยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้างนะอย่านึกว่าตัวเองดีกว่าเขาเลิศกว่าเขา การคิดเห็นอย่างนี้นั่นแหละถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากอนะเพียงแต่ว่าเราเห็นว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาบิด า, ดาไม่มีคุณอย่างนี้มันก็หนักเกินไปนหนักมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงกล้าหรืออาจจะเห็นว่าการที่ทําบุญให้ทานนั่นไม่มีผลนะไม่มีผลการที่เรามาบูชากราบไหว้กันนี้ก็ไม่มีผลอันนี้มันก็หนักเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกฉะนั้น อันนี้เราจะต้องยอมรับความจริงนะฉะนั้นผู้ที่มีความคิดเห็นพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกทิฏฐิพิบัตินะเห็นผิดถือว่าร้ายแรงมากประเภทที่สี่ก็ในข้อที่สี่ก็คืออาชีววิบัติได้แก่การแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพในทางทุจริตขิดตินรมเป็นต้นว่าเที่ยวฆ่ า, าสัตว์นะฆ่าเนื้อเบื่อปลามาขายเลี้ยงชีวิต อ, อันเป็นการเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นหรือการค้าขายสิ่งที่ต้องห้ามห้าอย่าง มีการค้าขายพวกน้ำเมาเป็นต้นเที่ยวเบียดเบียนผู้อื่นมาเลี้ยงอาชีวิตอของตนบ้างนะเหล่านี้ก็จะเป็นอาชีวะวิบัติพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่มีอาชีวะวิบัติก็คือว่าในการดํารงชีวิตหรือเลี้ยงชีพในทางที่ผิดนะตั้งแต่มีการฆ่าสัตว์มีการลักทรัพย์มีการประพฤติผิดประเวณีมีการอพูดจาโกาหกหลอกลวงเขา อืหรือว่าเดิ่มสุราเมรัยเนี่ยถือว่าผิดทั้งนั้นนะดำรงชีวิตผิดเลี้ยงชีวิตผิดอ่าแล้วก็โดยเฉพาะขายพวกเครื่องน้ำเมานะขายพวกยาพิษนี่ขายพวกอาวุธพวกศาสตราต่างๆซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ประหัตประหารกันนะพวกนี้ไม่ดีหรือว่าเอาค่าเอาชีวิตเขามาค้าขายอย่างนี้ถือว่ามีเวรมีกรรมมากนะมีเวรมีกรรมมากนะฉะนั้นอันนี้ก็จัดเป็นพวกอาชีววิบัติทางนั้น ดันั้นถ้าจะมีคำถามว่าวิบัติได้แก่กิริยาเช่นไรอย่างไหนมีโทษหนักกว่าอย่างอื่น <c oughs> จงอธิบายอันนี้เราก็แก้ได้เลยว่าวิบัติได้แก่กิริยาที่เป็นคนทุศีนไม่สังวรจัดเป็นศีลวิบัติการไม่รักษาารยาาตทอดทุรสรีจัดเป็นอาจาราวิบัติ มิจฉาทิฏฐิอันเป็นเหตุให้ประพฤติผิดจัดเป็นทิฏฐิวิบัติมิจฉาอาชีวะจัดเป็นอาชีวะวิบัติอาทิฏฐิวิบัติมีโทษหนักกว่าอย่างอื่นเพราะถ้ามีความเห็นผิดแตแล้วย่อมทำํกำกรรมชั่วได้ทุกสิ่งทุกอย่างผิดมารยาทแสวงหาชีพในทางที่ผิดจากานองครองธรรมจงสแสดงวิบัติให้เป็นเหตุเนื่องถึงกันความเป็นผู้ทุศีลไม่สังวรไม่ละอายแก่บาปเรียกว่าศีลวิบัติเมื่อ ความวิบัติแห่งศีลได้เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นเหตุให้ประพฤติกายวาจาเป็นไปตามอำนาจใจของตนไม่ใส่ใจในการที่จะรักษ า, ษากิริยามารยาทเมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมไม่เกิดความเห็นผิดมีประการต่างๆอันไม่สัมพ ย, ยุด้วยเหตุปัจจัยต่อกันย่อมเป็นทางให้หาเลี้ยงชีพโดยปราศจากธรรมที่ชอบเกิดขึ้นมีเหตุเนื่องถึงกันดังนี้นี่ก็เป็นเรื่องของอวิบัติทั้งสี่ทีนี้ก็จะพูดถึงอาเวสารชยาน อ่าสี่อย่างเพื่อให้จบในหมวดที่สี่เวสารัชยานอันนี้ก็หมายความว่าพระธรรคตเจ้าไม่เห็นว่าใครจะท้วงว่าพระองค์ได้โดยทำในฐานะสี่อย่างนะก็คือว่ายานที่ทําให้ให้แกล้วกล้านะความรู้ที่ทําให้แกล้วกล้าให้อาหารนั่นเองก็คืนหนึ่งท่านต ย, ยานว่าเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะทำเหล่านี้ท่านยังไม่รู้แล้ว 2. ท่านตริยานว่าเป็นขีณาสกอาสวะเหล่านี้ของท่านยังไม่สิ้นแล้วสท่านกล่าวว่าทำเหล่าใดทำอันตรายทำเหล่านั้นไม่อาจทาอันตรายแก่ผู้สองเศษได้จริงสีท่านผู้แสดงทำเพื่อประโยชน์อย่างใดประโยชน์อย่างนั้นไม่เป็นทางสิ้นทุกขโดยชอบแห่งคนผู้ทำตามคือหมายความว่า คือประการแรกขอให้ทำทำคัามเข้าใจคําว่าเวสารัชยานอีกครั้งหนึ่งคือคําว่าเวสารัชยานก็ได้แก่ปัญญาอันเป็นเครื่องนําบุคคลให้กล้าหาญไม่ย่อท้อในที่ชุมชนทั้งปวงนะท่านกล่าวว่าเป็นพระคุณสมบัติของอสมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์เป็นพระสยามภูรัสสรู้ย่อยะยธรรมทั้งปวงทำที่พระองค์ไม่รู้เป็นอันว่าไม่มีนี่ข้อนี้ขอให้ฟังให้ดีว่า ทาที่พระองค์ไม่รู้เป็นอันว่าไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์รู้หมดพระองค์ทรงรู้ทรงเข้าใจเข้าพระทยัยทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์เป็นพระขีนาศมีกิเลสอาสวะสิ้นแล้วมีภพมีชาติสิ้นแล้วกิเลสที่พระองค์ละได้แล้วแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่กลับมาสู่พระองค์ทรงแสดงว่าทําอันตรายแก่ผู้สองเสพได้จริงทำที่พระองค์ทรงแสดงว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ทำนั้นย่อมเป็นไปเพื่อทางสิ้นทุกข์ โดยชอบแก่บุคคลผู้ทำตามพระองค์ไม่สรงขั้นคำปฏิญาณฐานะของผู้เป็นโจทย์เปล่งพระสุรสิงหันาฏในถ้มกลางเหงบริษัทประกาศพระพรมามจัดคือทมอันประเสริฐหรือถ้าจะมีคำถามว่าเวสารัชยานเป็นธรรมของใครผู้นั้นเมื่อมีเวสารัชยานนี้แล้วมีประโยชน์อย่างไรอันนี้เราก็แก้ว่า เป็นธรรมที่มีในพระธถาคตเจ้าโดยตรงมีประโยชน์ที่จะไม่ให้ใครทักท้วงหรือคัดค้านพระองค์ได้โดยธรรมพูดถึงเวสารัชยานสี่อันนี้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายอาจจะยังงงอยู่มากอย่างในข้อแรกที่บอกว่าท่านปริยาณว่าเป็นสัมมาสัมพุทธทำเหล่านี้ท่านยังไม่รู้แล้วอันนี้หมายความว่า คือเรายัางเราเองเนี่ยยังไม่ได้บรรลุนะยังไม่รู้นะเมื่อยังไม่รู้ก็ทําให้เรานี่รู้สึกว่าจะไม่เชื่อมั่นนะไม่เชื่อมั่นอีกเหมือนกันหรือในข้อสองที่บอกว่าท่านปริยาณว่าเป็นพระขีนาสพอาสวะเหล่านี้ท่านยังไม่สิ้นแล้วอันนี้หมายถึงว่าตัวของท่านเองนั้สิ้นแล้วนะท่านเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วนะท่านเป็นพระขีนาสพมีอาสวะสิ้นแล้วแต่ว่าพวกเรายัางไม่สิ้นนะยังไม่สิ้นยังไม่รู้ เมื่อยังไม่สิน้นยังไม่รู้ก็แน่นอนที่สุดเราก็อขาดความขาดความเห็นแจ้งหรือรู้แจ้งม <Brid> เมื่อเราไม่รู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างก็ทําให้เรานั้นอาจจะไม่เชื่ออาจจะไม่เชื่อได้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราจะต้องปฏิบัติเองปฏิบัติเองต้องทําเองเหมือนกับอาหารเรากินเองเราก็อิ่มเองะเราไม่กินเราก็ไม่อิ่มเราก็ไม่รู้ไม่ท ร, บราบอเกี่ยวกับเรื่องอาเวสันตัญญาณอีกเหมือนกัน หรือในข้อที่สามท่านกล่าวว่าทำเหล่าใดทําอันตรายทำเหล่านั้นไม่อาจทําอันตรายแก่ผู้สองเสพได้จริงก็หมายความว่าไอ้ทำอะไรที่มีทุกขมีโทษนะ่ะถ้าหากว่าเราปฏิบัติให้ถึงที่สุดแล้วก็ไม่สามารถจะทําได้เนยทําอันตรายแก่ผู้นั้นได้นี่ขอให้เราทําให้ถึงที่สุดเถอะนะถึงที่สุดแห่งทุกแล้วก็ทําไม่ได้หรือในข้อที่สี่ท่านแสดงธรรมเพื่อเป็นประโยชน์อย่างใดประโยชน์อย่างนั้นไม่เป็นทางสิ้นทุกข์โดยชอบ แห่งคนผู้ทําตามอันนี้ก็หมายความว่าคือทาําเหล่าใดที่เป็นประโยชน์นะที่เป็นประโยชน์ที่พระองค์ได้ทรงอัละได้หมดแล้วนะเรียกว่าย่อมเป็นไปเพื่อทางสิ้นทุกขโดยชอบแก่บุคคลผู้ทําตามนะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ทำนั้นฉะนั้นรับรองว่าใครปฏิบัติตามแล้วก็าสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้สิ้นทุกได้นะไม่เป็นคนขั้นครามนะไม่เป็นคนขั้นคราำไม่เป็นคนเกิดความลังเลสงสยัย หรือไม่เป็นคนที่มีความกลัวหรือมีความมิจตอกังวลมีแต่ความอาถรานมีแต่ความอาถรรพมีแต่ความแก้วกล้าและจะเป็นบุคคลผู้ประเสริฐอทันทีฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องการบรรยายอเรื่องเวันนะสี่ก็ดีเรื่องวิบัติสี่ก็ดีและเวสาลัชยานสี่ก็ดีก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษา และท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพร